ท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อนใสในพระพุทธ ศ, ศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห้าตุลาคมพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศล เปิดเป็นสารนาเป็นที่พึ่งแก่จิตใจบุญกุศลคืออะไรบุญแปลว่าความสุขใจความอิ่มใจความพอใจกุศลแปลว่าความฉลาดอันนี้เป็นอาหารของใจและเป็นแสนสว่างนำทางให้แก่ใจ ที่ยังอยู่ในความมืดบัดอยู่ยังอยู่ภายใตยอ้อำนาของโมหะอวิชชาทําให้เห็นเิดเป็นช่อเห็นกลงจักเป็นดอกบัวถ้ามีกุศลมีแสงสว่างแห่งธรรมใจ ก, ก็จะเห็นตามความเป็นจริงเห็นกงจักเป็นกงจัก เห็นดอกบวัวเป็นดอกบวัวถ้าเห็นอย่างนี้ใจก็จะไม่ถูกความทุกมาลุ่มเล้าจิตใจแต่ตอนนี้ใจยังมีความทุกอยู่เพราะยังมองไม่เห็นความจริงมองเห็นความทุกว่าเป็นความสุขแทนที่จะห น, อ น, นีออกจากกามทุก กับเดินเข้าหากองทุกแทนที่จะเดินเข้าสู่กองุขกับเดินนี้ออกจากกองุข mm hmm. ชีวิตของผู้ทชนอย่างพวกเราทั้งหลาย mm hmm. จึงมีแต่ความทุกข์ลมเล้าจิตใจอยู่เรื่อยๆดังนั้นเราต้องสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อให้จิตใจเรามีที่พึ่งมีความล่มเย็นเป็นสุดมีความอิ่มนหนำสมลานใจมีความสุขใจมีความพอใจเบื้องต้นท่านสอนให้เราสร้างความสุขใจด้วยการทำบุญให้ทานให้เราแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้แก่ผู้อื่น เศษที่เราไม่จำเป็นจะต้องอาศัยไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้เราให้แล้วเราไม่เดือดร้อนเช่นเรามีปัจจัยสีมากจนเจนไปเกินกว่าความต้องการของร่างกายเช่นมีอาหารมากเกินไป เราก็แบ่งปันให้แกกผู้ที่อดอยากขาดแคลนมีเสื้อผ้ามากเกินไปเราก็เอาแบ่งไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากโดยเฉพาะในช่วงนี้มีอุท ก, กภัยมีน้าท่วมบ้านช่องอาหารขาดแคลนที่มาสายขาดแคลนเครื่องนุ่หงห่มขาดแคลน อย่ารักษาโรคผาดแคลนถ้าเราพอในกำลังที่จะแบ่งปันเราก็ร่วมกันบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณกุศลที่จะนำเอาปัจจัยสี่นี้ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขของเราขอให้เราบอก คนอื่นว่าเป็นเหมือนกับเราวันหนึ่งเราอาจก็จะตกอยู่ในสภาพแบบเดียวกับเขาก็ได้ถ้าทุกคนคอยดูแลกันเวลาตกทุกข์ได้ยากเหมือนร้อนก็จะไม่ลำบากจนเกิดไปแต่ถ้าทุกคนไม่มีความเมตตาไร้ความปรานีไม่คิดที่จะแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ เ, ลเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเราก็จะไม่มีใครมาดูแลมาช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราช่วยเหลือผู้ผู้ เ, เขาก็จะมีกำลังใจมีความยินดีที่จะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากตามที่เราทําไว้วันข้างหน้าเวลาเราตกทุกข์ได้ยาก เราจะได้มีผู้ช่วยเหลือผู้ให้ความเมตตากับเราดังนั้นอย่าหวงสมบัติเข้าของเงินทองที่มีมากเกินไปตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากจะต้องมาคอยเฝ้าคอยดูแลรักษา เป็นเหมือนปู่สมเฝ้าทรัพย์ไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์ของตนทรัพย์นี้มีประโยชน์อยู่สองทางด้วยกันทางร่างกายและทางใจทางร่างกายก็คือดูแลให้ร่างกายอยู่อย่างเป็นปกติสุขไม่อดอยากขาดแคลนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยส่วนทางใจ ก็ดูแลด้วยการทำบุญเอาทรัพย์ที่เรามีเหลือกินเหลือใช้นี้มาทำบุญบุญนี้เป็นอาหารของใจเราให้แต่อาหารของร่างกายแต่เราไม่ค่อยได้ให้อาหารกับใจใจของเราจึงทุกข์จึงหิวจึงอยากอยู่เรื่อยได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มจักพอ ได้เงินมามากน้อยเพียงไรมากเกินความจำเป็นมากเกินความต้องการก็ยังไม่อิ่มไม่พออยากจะได้มากๆขึ้นไปเรื่อ ย, เ, อยเวลาอยากก็จะไม่มีความสุขอยากแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุขใจต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนไปหาสิ่งต่างๆที่อยากได้มา พอได้แล้วก็ไม่ได้ทำให้อิ่มให้พอเพราะว่าไม่ได้เป็นอาหารของใจนั่นเองอาหารของใจก็คือการทำทานคือการทำบุญด้วยการให้ทานนี่เองถ้าเราให้ทานบ่อยๆใจเราจะรู้สึกอิ่มอกใจมีความสุขใจมีความพอใจ จะไม่คิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับตอนที่ไม่ได้ทาบุญไม่เชื่อลองทำดูเวลาที่เราอยากจะได้อะไรแทนที่จะเอาเงินไปซื้อสิ่งที่เราอยากได้เราเอามาทำบุญกันทำกับใครก็ได้ทำกับพระก็เป็นบุญทำกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระเช่นกาลวาาญาติโยม ก็เป็นบุญเหมือนกันเพราะเป็นการให้ทานเหมือนกันทานนี้แปลว่าให้จะให้ใครก็เป็นทานทานนี้เป็นเหตุคือการกระทาเมื่อทำแล้วก็จะเกิดผลตามมาผลก็คือความสุขใจอิ่มใจพอใจเรียกว่าบุญเรียกว่าสวรรค์ คนเหล่านี้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นโดยที่ไม่รู้สึกตัวเวลาทำบุญแล้วนี้ใจมีความสุขมีความอิ่มใจมีความสบายใจทางตรงกันข้ามถ้าทำบาปใจก็จะร้อนขึ้นมา ท, าทันทีใจก็จะตกนรก ท, ทันทีถึงแม้ว่าร่างกายจะอยู่ในโลกของมนุษย์แต่ใจนี้ไปอยู่ในนรกแล้วถ้าทำบุญ ใจก็ไปอยู่บนสวรรค์แล้วนี่คือบุญผลบุญที่เราจะได้รับจากการทำทานดังนั้นบุคคลที่รับนี้ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทำให้เราไปหรือไม่ไปเหตุอยู่ที่การกระทําของเราผู้รับนี้เป็นใครก็ได้แม้แต่เดละฉานก็ได้ให้เดละฉาน เราก็ได้ความสุขใจเหมือนกันได้ความอิ่มใจเหมือนกันอย่างนั้นเราไม่ต้องไปเลือกหาพระดีๆทํากับพระที่บ้านเราก่อนก็ได้เรามีพระดีๆสองรูปอยู่ที่บ้านเราเป็นพระอาหารหันต์ของพวกเราก็คือบิดามารดาผู้ให้กําเนิดกับเรา ผู้มีพระคุณกับเราอย่างมากไม่มีใครในโลกนี้จะมีพระคุณเท่ากับปิดามานดายกเว้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่นั้นที่จะมีพระคุณสูงกว่าเพราะว่าสิ่งที่พ่อแม่ให้นั้นสู้สิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ไม่ได้นั่นเองก็คือให้ธรรมะเรียกว่าให้ธรรมทาน การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงพ่อแม่ให้เราได้ก็คือวัตถุทานให้ข้าวของเงินทองอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนึ่งหงมให้วิทยาทานคือให้ความให้วิชาความรู้ต่างๆด้วยการส่งให้เราไปร่ำเรียนหนังสือในโรงเรียนในมหาวิทยาลายัย เพื่อที่เราจะได้มีความรู้เพื่อมาประกอบสำ ม, มาชีพเลี้ยงดูอัตภาพร่างกายแต่สิ่งที่พ่อแม่ให้ในไม่สามารถมาเลี้ยงดูใจของเราได้ไม่สามารถทำให้ใจเรามีความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะทำได้ พระพุทธพระธรรมพระสงค์จึงมีพระคนสูงกว่าบิดามารดาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบิดามารดาไม่มีความสําคัญเพียงแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนพระจันทร์กับพระอาทิตย์นี่เองพระจันทร์นี้ก็มีคนมีประโยชน์ให้แสงสว่างในตอนกลางคืนแต่แสงสว่างของพระจันทร์นี้ สู้แสงสว่างของพระอาทิตย์ไม่ได้ความสำคัญของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณประโยชน์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงยิ่งใหญ่กว่าความสำคัญยิ่งใหญ่กับคุณประโยชน์ของบิดามารดาแต่เราก็ควรที่จะน้อมกายวาจาใจให้ความเคารพและทําบุญกับท่าน าโอกาสที่สมควรพ่อแม่ถ้าตกทุกข์ได้ยากเหนือร้อนก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องดูแลท่านทดแทนบุญคุณให้กับท่านอันนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญกับพระอารหันต์ของเราในบ้านถ้าเราอยากจะทำบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอกบ้านเราก็ต้องทำบุญกับพระอารหันต์ในบ้านของเรา ให้เรียบร้อยก่อนเมื่อท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายแล้วเรามีโอกาสเราค่อยไปทำบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอกบ้านต่อไปการที่เราต้องเลือกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นเพราะว่าเราจะได้ธรรมทานจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองถ้าเราให้ผู้อื่นผู้ที่ไม่มีธรรมะ เขาก็จะไม่มีธรรมทานให้กับเราสิ่งที่เขาให้กับเราได้ก็เป็นวิทยาทานหรือให้ข้าวให้ของเป็นสิ่งตอบแทนในโอกาสต่อไปเช่นเวลาที่เราเดือดร้อนเขาก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราให้ข้าวให้ของกับเราได้ แต่เขาไม่สามารถที่จะให้ธรรมะกับเราเพราะเขายังไม่มีธรรมะนั่นเองถ้าเขามีธรรมะเขาก็จะเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ที่มีธรรมจริงๆต้องเป็นพระอริยเจ้าเท่านั้นผู้ที่ให้จากการอ่านเฉยๆนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นธรรมแท้ยังเป็นธรรมที่ไม่ได เกิดจากการรู้จริงเห็นจริงเป็นความจําซึ่งมักจะไม่ตรงกับความจริงเหมือนกับเวลาที่มีบุคคลมาบอกมาเล่าให้เราฟังถึงสถานที่ที่เรายังไม่เคยไปเวลาเขาบอกเราเราก็เพียงแต่ได้แต่นึกแต่คิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราไปบอกคนอื่นต่อ เราก็อาจจะไม่ได้บอกให้เป็นเหมือนกับของจริงที่ของคนที่เขาไปรู้มาเห็น <c oughs> มา <c oughs> มาบอกเราจนกว่าเราจะไปเห็นของจริงก่อนพอเราเห็นของจริงแล้วทีนี้เรามาบอกผู้อื่นผู้อื่นก็จะเราก็จะสามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นยัางแต่ถ้าเราเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมา พอเราไปบอกผู้อื่นเราก็จะบอกไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราแล้วถ้าเขาถามอะไรเราก็อาจจะตอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้เห็นด้วยกับตาของเราเองแต่ถ้าเราเห็นกับตาของเราเองแล้วเราจะตอบเขาได้อย่างอย่างได้อย่างง่ายดายเพราะสิ่งที่เรารู้เราเห็นนี้มันเป็นความจริง เขาสงสัยอะไรเราบอกได้ ด, ดังนั้นการที่เราจะได้ธรรมะของแท้ของจริงเราต้องได้จากพระ อ, อริยะเจ้าเท่านั้นคือพระสุปฏิปันโนตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระ อ, อนาคามีพระอรหันต์ท่านจะมีธรรมะในระดับต่างกันไป เปรียบเหมือนกับความรู้ในระดับปริญญาที่มีความรู้แตกต่างกันไปขั้นปรนิญญาตีก็น้อยกว่าปริญญาโทรปริญญาโทก็น้อยกว่าปริญญาเอกพระโสดาบันก็รู้น้อยกว่าพระสกิดาคามีพระสกิดาคามีก็รู้น้อยกว่าพระอนาคามีพระอนาคามีก็รู้น้อยกว่าพระอรหันต พระอาหารหันต์ก็รู้น้อยกว่าพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความรู้มากอยากได้ธรรมะมากเราก็ต้องเลือกพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกก่อนถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้แล้วเราอยากจะได้ความรู้อยากจะได้ธรรมะเราก็ต้องรุ่งไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าบุคคลรองลงมาก็คือพระอาหารหันต์ ถ้าไม่มีพระอรหันต์ก็พระอนาคามีไม่มีพระอนาคามีก็ต้องพระสกิดาคามีถ้าไม่มีพระสกิดาคามีก็ต้องเป็นพระโสดาบันถ้าหาพระอริยเจ้าไม่ได้ก็ยังมีองค์แทนของพระพุทธเจ้าอยู่ตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็คือพระธรรมวินัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้รับการจารึกไว้ในพระไตปรปิฎกอันนี้ก็เป็นที่หาความรู้ได้เช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่ดีเท่ากับการหาความรู้จากบุคคลจากพระอริยเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพราะเหมือนกับการอ่านหนังสือทั้งเล่ม กว่าจะได้คาตอบอาจจะต้องค้นหาในหนังสือแต่ถ้าเราไปถามคนที่รู้นี้ก็จะไม่เสียเวลามากถามปัญหาปั๊บเขาก็ตอบให้เราได้เลยแต่ถ้าไม่มีคนตอบมีแต่หนังสือก็ต้องไปค้นคว้าหาในหนังสือแล้วก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นคาตอบที่ต้องการหรือไม่ดังนั้น การทำบุญกับพระอริยเจ้าจึงมีอนิสงส์มากมีคุณมีประโยชน์มากอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้ต้องมีการเลือกบุคคลต้องเข้าหาคนที่มีความรู้มากๆเพื่อเราจะได้รับกุศลคือความฉลาดกลับมาแต่ถ้าเราไม่ต้องการกุศลยังไม่ต้องการธรรมะ ต้องการเพียงแต่ทำบุญเพื่อความสบายใจเพื่อความสุขใจเราก็ทำกับใครก็ได้ทำกับพระก็ได้ทำกับคารวาสก็ได้ทำกับเดรลฉานก็ได้จะได้ความสุขใจด้วยความอิ่มใจเหมือนกันแต่ถ้าอยากจะได้ธรรมทานอยากจะได้ฟังเทศฟังธรรมก็ต้องหาพระที่มีธรรมะ หาผู้ที่มีธรรมะแล้วเราก็จะได้กุศลกุศลคือความฉลาดแต่ความฉลาดนี้ก็มีสมระดับด้วยกันความฉลาดที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเรียกว่าขั้นที่หนึ่งกุศลขั้นที่สองเรียกว่าความฉลาดที่เกิดจากการไถ่ควรพิจารณาอยู่เนือง คือธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่เอามาพิจารณาอยู่เนืองเนือมาคิดอยู่เนืองเนือธรรมะนี้ก็จะจางหายไปจากใจจะหลงลืมได้จะคิดไม่ถึงได้แต่ถ้าเรานํามาคิดอยู่บ่อยๆมาพิจารณาอยู่บ่อยๆธรรมะนี้ก็จะอยู่กับใจเราไม่ห่างไกล แล้วก็จะทำให้เราเข้าถึงธรรมะกุศลขั้นที่สามได้กุศลขั้นที่สามเรียกว่าธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติอันนี้เป็นกุศลที่แท้จริงเป็นกุศลที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้กุศลขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้ยังไม่มีกําลังพอ ต้องอยู่กุศลขั้นที่สามกุศลขั้นที่สามนี้เราเรียกว่าภาวนาเมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาส่วนปัญญาขั้นที่สองหรือกุศลขั้นที่สองเรียกว่าจริตามายาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพิดเจรจาไถ่โคลนปัญญาขั้นที่หนึ่ง ก็เรียกว่าสุตมยะปัญญาแปลว่าปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังก่อนที่จะไปถึงปัญญาขั้นที่สาไดา้เราต้องเริ่มที่ปัญญาขั้นที่หนึ่งก่อนเราต้องได้ยินได้ฟังก็ทาคำสอนก่อนเช่นทรงสอนว่าทุกเกิดจากความอยากเกิดจากการละตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตันหา วิธีที่จะดับความทุกข์ก็ต้องใช้มักมักคืออะไรมักก็คือทานศีลภาวนาถ้ามีทานศีลมีภาวนาก็จะละความอยากคือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาได้ถ้าละภาะถ้าละตัณหาได้นิโรธคือความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมา ความทุกข์ก็จะหายไปจากใจอันนี้เรียกว่าสุตะมายาปัญญาแต่ได้ยินได้ฟังแล้วถ้ายังมีความทุกข์อยู่ก็สแสดงว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติเราฟังเฉยๆเรายังไม่มีมรรคไม่มีเครื่องมือถ้าเปรียบเทียบความทุกข์ใจของเราก็เป็นเหมือนไฟไหมส่วนมรรคนี่ก็เป็นเหมือนเครื่องดับไฟเครื่องดับเพล เวลาเกิดความทุกข์ใจแล้วเรายังดับความทุกข์ใจไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีมักไม่มีเครื่องดับความทุกข์ใจเหมือนกับเวลาไฟไหม้แล้วเราดับไฟไม่ได้เพราะเราไม่มีเครื่องดับไฟดังนั้นหน้าที่ของเราเราจึงต้องคอยสอนใจให้พยายามสร้างมรรคขึ้นมาให้ได้ อันนี้ก็พิจารณาอยู่เรื่องเดีวว่าเราทําทานหรืออย่างเรารักษาศีลหรืออย่างเราภาวนาหรืออย่างถ้าเรายังไม่ทําทานยังไม่รักษาศีลยังไม่ภาวนาเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราก็จะไม่มีมรรคมาดับความทุกข์ใจถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ใจเราก็ต้องจเจริญมรรคให้มากทําทานให้มาก รักษาศีลให้มากภาวนาให้มากทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราทำมากๆแล้วพอเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราดับความทุกข์ใจได้ก็แสดงว่าเรามีปัญญาขั้นที่สามแ้วเรามีภาวนาไมยะปัญญาแล้วคือเรามีทานมีศีลมีภาวนาแล้ว ถ้าเราทาแต่ทานไม่รักษาศินไม่ภาวนาอันนี้ก็จะไม่พอถ้าเราทาทานรักษาศิงแต่ยังไม่ภาวนาก็ยังไม่เป็นภาวนามยะปัาญญาจนกว่าเราจะได้สมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาคือสามารถทำใจให้สงบสามารถสอนใจให้เห็นความจริงว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยาก ถ้าภาวนาแล้วใจจะเห็นความจริงอันนี้เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี้จะรู้เลยว่าเกิดจากความอยากแล้วจะรู้เลยว่าการจะดับความทุกข์ใจก็ต้องหยุดความอยากให้ได้การจะหยุดความอยากให้ได้ก็ต้องให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นั้นมันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันไม่ทําให้อิ่มให้พอ มันไม่สามารถทำให้ใจหมดความอยากได้อันนี้เรียกว่าวิปันนปาานสน า, าภาวนาก่อนจะวิปัสนาภาวนาได้ต้องสมถะภาวนาก่อนก่อนที่จะสมถะภาวนาได้ก็ต้องรักษาศีนแปดให้ได้ก่อนก่อนที่จะรักษาศีนแปได้ก็ต้องรักษาศีนห้าให้ได้ก่อน ก่อที่จะรักษาศินห้าได้ก็ต้องทำทานให้ได้ก่อนถ้าทำทานยังไม่ได้ใจจะรักษาศีลไม่ได้เพราะใจจะโลภอยากจะได้อยากจะได้ก็จะไม่อยากรักษาสินเพราะการรักษาสิลจะทำให้ยากต่อการได้สิ่งที่อยากได้นั้นดังนั้นต้องทำทานก่อนเพื่อทำให้ใจมีความอยากน้อยลงเบาบางลงไป แล้วก็จะทำให้รักษาศีลห้าได้พอรักษาศีลห้าได้ต่อไปก็จะรักษาศีลแได้พอรักษาศีล8ดได้ก็จะเจริญสามารถถากภาวนาได้พอเจริญสามารถถากภาวนาได้ก็จะมีปัญญาเห็นความจริงเห็นเวลาใจทุกนี้จะเกิดจะรู้ว่าเกิดจากความอยาก ท, ทันทีแล้วก็จะรู้ว่า การทำตามความอยากนี้จะไม่มีวันที่จะทำให้ความอยากหมดไปก็จะหยุดความอยากได้อันนี้แหละคือกุศลที่แท้จริงกุศลต้องเป็นกุศลขั้นที่สาคือภาวนา ม, ย, าามยักัญญาแต่ก็ต้องอากษากุศลขั้นที่สองและขั้นที่1นพาพาไปถ้ายังไม่ได้ยินได้ฟังธรรม ก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นกิเลสก็จะหลงทำแต่สิ่งที่เป็นกิเลสที่ว่าทำแล้วใจจะมีความสุขแต่ทำแล้วกับมีความทุกข์แต่พอได้ยินได้ฟังธรรมก็จะรู้ว่าสิ่งที่จะทำให้ใจมีความสุขก็คือการเจริญมรรคี้เองคือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาก็จะเอา การทำทานรักษาศินภาวนานี้มาคอยเตือนใจสอนใจให้หมันทําอยู่เรื่อยๆพอทำอยู่เรื่อยๆทําได้ครบบริบูรณ์ก็จะได้กุศลขัน้นฑิสาได้ภาวนามายายัญญาก็จะสามารถดับความอยากหลุดละความอยากได้หมดละความอยากได้หมดก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ห ใจก็จะกลายเป็นใจของพระอาหารหันต์ไปในที่สุดนี่แหละคือเรื่องของบุเรื่องของกุศลที่พวกเรามาทำกันอยู่อย่างต่อเนื่องขอให้เราทำเพิ่มมากขึ้นไปให้เต็มร้อยทำทานให้เต็มร้อยรักษาศีลให้เต็มร้อยภาวนาให้เต็มร้อยแล้วผลก็จะเต็มร้อยมรรคผลที่ผ่านก็จะเต็มร้อย อยู่ที่ตัวเราเราต้องเป็นผู้กระทำพระพุทธเจ้าพรธรรมคำสอนพระอริยสงสารโลกเป็นเพียงแต่ผู้สอนเราแต่เราต้องเป็นผู้ดำเนินต้องเป็นผู้ปฏิบัติไม่มีใครปฏิบัติให้เราได้ดังนั้นขอให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้า แล้ววันหนึ่งนะข้างหน้าในเวลาอันไม่ไกลนี้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนกรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบงเพ็นกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นตัจจัให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาะโดยทั่วหน้าการเธอ